อย่างเช่นสุภาษิตในพุทธศาสนาในสุตสโสมชาดกครับสละทรัพย์เพื่อรักษาอวิญญาณยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อะระลึกถึงธรรมคือความถูกต้องก็ยอมสละได้ทั้งทรัพทั้งวัยวะทั้งชีวิตก็ยอมสละได้ถ้าเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมว่า สละแล้วมันได้ประโยชน์แก่คนหมู่มากหรือว่าเป็นความถูกต้องที่จะต้องทำอย่างนั้น <c oughs> จะเห็นว่ามันเป็นการี่สูตรที่สูจน์ว่าคนกล้าหารดูได้ในเวลามีอันตราย ที่ีเครื่องหนึ่งนะครับคือการตัดสินใจการตัดสินใจทำอย่างกล้าหาญในช่วงจังหวะต่างๆของชีวิตซึ่งต้องอาศาัยกำลังใจหนุนเป็นอย่างมากคนที่ไม่มีกำลังใจและคนขาดทำไม่ได้คนขาดทำไม่ได้ ถ้าเผื่อท่านผู้ฟังสังเกตนะครับจะเห็นว่าชีวิตคนเรานี้มีปัญหามากแลก็มีอันตรายมากมีหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตอยู่เสมอผู้กรหารต้องกล้าตัดสินใจเลือกทางดำเนินชีวิตของตนเองที่เห็นว่าเหมาะสมแก่ตนไม่ใช่ตามที่คนทั้งหลายนึก เพราะว่าร้อยคนเ็าึกไปร้อยอย่างแลเราจะต้องทำทั้งร้อยอย่างที่คนอื่นเขานึกอยากให้เราทำมันจะทำได้อย่างไรทำไม เ, เราไม่เป็นตัวของตัวเองกล้าหาญพอที่จะตัดสินใจดำเนินชีวิตตามที่เราเห็นสมควร และกล้ารับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งหมดถ้าจะเกิดขึ้นเพราะว่าการตัดสินใจของเราอย่างน้อยความผิดพลาดล้มเหลวนั้นก็เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้โดยตรงหรือ ว, ว่าเป็นช่องทางให้เราได้คนหาวนทางใหม่เริ่มดำเนินชีวิตใหม่ จะดำเนินการใหม่มันจะต้องพบช่องทางที่ตีเข้าสักวันหนึ่งนั่นแหละครับคือทางของเราทางแห่งความสำเร็จในชีวิตคนก้าหารในทางแห่งชีวิตจะต้องกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียสิ่งํำคัญ ปิกประการหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือขอให้เรามั่นคงในอุดมคติของเราพอสมควรจับทำอะไรเข้าแล้วก็อย่าเลิอกอย่าง่ายๆเมื่อเห็นว่าทางนี้แหละเป็นทางของเราถูกใจเราถูกอัธยาศัยของเราแล้ว แม้จะล้มเหลวบ้างในเบื้องต้นก็ต้องพยายามต่อไปความสำเร็จจะรอคอยอยู่เบื้องเบื้องหน้าถ้าเราสังเกตนะครับจะพบว่าคนในอดีตที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตมาแล้วล้วนแต่เป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจทั้งนั้น บางคนก็ถึงกับกล้าออกนอกแนวทางที่คนทั้งหลายเคยเดินกันมาแล้วก็ฉีกแนวออกมาเลยคนขาดไม่กล้าทําอะไรก็เดินตามกันไปเป็นแถวแถวหรือว่าถ้าพูดอย่างที่เขาพูดกันก็คือว่าเดินกันไปเป็นฝูงฝูงเหมือนสัดเลี้ยง มันมันเหมือ น, น, นแพะแกะวัวควายหรือแม้แตดช้างเหตไหนเห็นนั้นใครว่าอะไรดีก็ทำกันไปเป็นพรรคๆใคใๆก็ทำแต่อย่างนั้นว่าไม่กลา้าคิดไม่กล้าทำอะไรที่จะออกนอกแนวไปแต่ว่าการทำแบบนั้นนะครับมันก็ปลอดภัย ก็ปลอดภัยเพราะว่าใครๆเขาทากันแต่ว่าไม่มีทางที่จะประสบความสมําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วก็ที่ว่าปลอดภัยนั้นก็ไม่แน่อ่าอาจจะย่อยยับไปทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ถ้ามันตามนายฝูงแล้วนายฝูงนําไปผิดมันก็จะย่อยยับไปทั้งฝูงเลยก็ได้ ล้วในเวลานี้นะครับถ้าเราสังเกตก็ตจะจะเห็นว่าเด็กนุ่มของเราเด็กนุ่มเด็กสาวของเราในเวลานี้ก็ยังทำอะไรตามกันเป็นพวกพวกอยู่เหมือนกันหรือว่าไว้ผมทรงเดียวกันต็อ แต่ว่านอกจากพวกที่โรงเรียนโรงเรียนบังคับบังคับให้ตัดผมสั้นนอกนั้นก็จะไว้ผมยาวไว้ผมทรงเดียวกันทำอะไรทำอย่างเหมือนเหมือนกันแฟชั่นแฟชั่นเสื้อผ้ารูปลักษณะอะไรก็ ค, คล้ายๆกันแต่ว่าเดินตามแฟชั่นเหมือนช้างครงพากันเข้าันเนียด่อน เปเนยียตก็คือแฟชั่นแฟชั่นที่ขังคนเอาไว้ว่ายัดเยียดกันอยู่ในนั้นไม่มีใครคนใดใจกล้าพอที่จะตัดสินใจทำอะไรตามความเหมาะสมแก่นตนโดยไม่ต้องเดินตามแฟชั่นพวกเขากลัวอันตรายคือการไม่ยอมรับของเพื่อนฝูงแต่อันตรายคือความเกียดคร้านอันตรายคือความโง่เขลา ความไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งเป็นอันตรายต่ออนาคตของชีวิตเป็นอย่างจริงพวกเขาไม่กลัวจริงๆบุคลิกและลักษณะคุณลักษณะของเราก็ไม่เหมือนกันของคนเราไม่เหมือนกันแลวการทำอะไรตามกันไปหมดก็เป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับบุคลิกหรือคุณลักษณะของแต่ละคน เพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกทำแล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามความเหมาะสมแก่ตนจึงจะเรียกว่าเป็นผู้กล้าในการตัดสินใจเป็นผู้กล้าในการตัดสินใจอันนี้พูดถึงเรื่องความกล้าหาญนะครับแล้วก็ได้เน้นย้ำเอาอไว้ว่าคนกล้าต้องการเลิกกล้าเลิ ก, ก, ลลกสิ่งที่เห็นว่ามันไม่ถูกต้อง ควรจะเลิกก็เลิกไปแล้วก็อะไรที่ควรจะทําก็ทําไปกล้าทําในสิ่งที่เห็นว่าควรจะทำํำมันอาจจะมองไม่เห็นผลอะไรในเบื้องแรกเหมือนว่ายน้ําอยู่กลางมหาสมุทรไม่เห็นฝั่งแต่ว่าทําไปทําไปมันก็ค่อยๆเห็นไปทีละน้อยกล้าทําตอนนี้กําลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในเรื่องคุณสมบัติ เจะการสำหรับเป็นที่หลั่งไหลมาของโชคลาภหมายถึงเป็นที่หลั่งไหลมาของสิ่งที่ดีงามทั้งหลายวออันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่หกนะครับหัวข้อที่หกว่ารู้จัก อุปการะคุณของท่านรู้จักอุปการะคุณของท่า น, น, นก็คือกะตันยูกะตะเวทีนั่นเอง <c oughs> คนหาได้จากในโลกมีอยู่สองจำพวกบ้างสามจำพวกบ้างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว สองจำพวกก็คือภุภการีคนที่ทำอุปการะให้โกดแล้วก็กัตัญญูกตตะเวทีผู้ที่รู้ปการะที่ท่านทำให้แล้วและตอบแทนกตัญญูนั่นคือสำนึกคุณเพียงแต่สำนึกคุณของท่านกตัญญู การตอบแทนโดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเรียกว่าคตะเวทีที่นี้ก็อุปภการีนั่นเป็นเจ้านี่แตจันยูกาตะเวทีเป็นลูกนี่ก็ <c oughs> <c oughs> ว่าเราในชีวิตของคนเรามันก็มีทั้งสองอย่าง ก็เป็นเจ้าหนี้ป่ะเป็นลูกหนี้ป่ะเราเราเรามีอุปการะต่อผู้อื่นเราก็เป็นเจ้าหนี้ของเขาเราได้รับอุปการะจากผู้ใดเราก็เป็นลูกหนี้ซึ่งจะต้องใช้หนี้ต่อบุคคลผู้นั้นอัน <c oughs> นี้ก็ สำหรับหนี้สินทั่วๆไปนี่มันก็เขาเขาบอกว่าเป็นมิตรเมื่อกู้เป็นศัตรูเมื่อทวงอเมื่อเมื่อเขามากู้เงินกู้ท่องเขาก็เป็นมิตรแลย้ยืมยืมเงินยืมอะไรเขาก็ ท, ทําท่าทีเป็นมิตรที่ดีแต่ว่าถ้าทวงเขาก็เป็นศัตรู เป็นมิตรเมื่อกู้เป็นศัตรูเมื่อท ว, วงไปทวงนี้เข้าเขาก็เป็นศัตรูบางคนถึงกับฆ่ากันนะก็มีไปทวงนี้นั้นก็เราคนหนึ่งก็อยู่ในฐานะทั้งสรงอยาอยู่ในฐานะเป็นเจ้านี้จึอให้หนี้ไว้ก่อนแล้ว เป็นภุภ ก, การีเป็นภุพ ก, การีทำอุ ป, ปการะเอาไว้ต่อลูกต่อหลานต่อติต่อใครต่อใครก็รแล้วแต่นี่ก็ลูกหนี้ของเราก็มีหรือ ว, ว่าคนที่คนที่เราทำอุ ป, ปการะไว้ให้ก็เป็นลูกหนี้ของเรานี่เขาจะใช้หนี้หรือไม่ใช้หนี้ก็เป็นเรื่องของเขา เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของคนผู้ที่เป็นลูกนี้นี่สินนี่ใช้กันได้หมดได้ง่ายแต่ว่านี่บุญคุณนี่บุญคุณนี่ใช้ให้หมดได้ยากแต่ว่าใช้ไม่หมดก็ดี เราจะได้สำนึกว่าเขา ม, มีบุญคุณต่อเราก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องใช้ให้หมดเราใช้ไปเรื่อยๆเท่าที่โอกาสจะอานวยก็ไม่ต้องรีบใช้ก็ได้จะว่าคอยหาโอกาสอยู่คอยสดสองหาโอกาสอยู่ที่จะใช้นี่ของท่านเรียกว่ากาตันอยู่กาตเวที เวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บ่นกันมากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชราผู้แก่ก็บ่นกันมากว่าลูกหลานไม่ค่อยเอาใจใส่ลูกหลานก็สาระวนอยู่กับเรื่องหาเงินให้ตัวเองไม่ใช่หาเงินให้พ่อแม่ปู้่าตายายอะไรหรอกหาเงินให้ตัวเองไม่มีเวลาไม่มีเวลา ที่จะดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอุปการะมาก่อนก็มีเวลาทุ่มไปกับการหารเงินสารเลาคนอยู่กับการหารเงินเพราะว่าอะไรอะไรต่างๆมันถีบตัวสูงขึ้นเขาก็ต้องถีบตามอะไรมันราคามันแพงไปหมด ที่ดินราคาแพงบ้านราคาแพงรถราคาแพงอะไรอะไรมันก็แพงมันถีบตัวสูงขึ้นเขาก็ต้องถีบตามจันนี้มก็เหนื่อยมากก็ยิ่งของแพงขึ้นค่าของคนก็ถูกลงค่าของคนก็ถูกลงราคาของคนก็ถูกลง ของก็แปลงขึ้นเพราะว่าคนไปให้ค่ากับวัตถุคนไปให้ค่ากับสิ่งของมากมันก็แพงขึ้นแล้วให้ให้ค่ากับคนชีวิตคนความเป็นไปของคนน้อยลงชีวิตคนมันก็อถูกสุ <c oughs> ทีนี้ก็มีอีกสิ่งหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับบุคคลก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ มีอุปการะต่อเราคือบุญผุปการีของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญเราได้ทำบุญมาบุญบุญได้ส่งให้เป็นเป็นคนอยู่ดีมีสุขแต่ว่าท่านดูบุคคลสี่จำพวกก่อน ดูบุคคลที่จำพวกแล้วก็รู้ว่าเราควรจะกะตันอยู่ต่อบุญอย่างไรไม่ควรดูหมิ่นบุญหรือว่าเราอยู่ดีมีสุขอยู่ได้ก็เพราะบุญช่วยเหลือค้ำจุนคุ้มครองอยู่จก็นึกถึงพระพุทธภาสิธทธิวะยะดาบุญยักษ์ขโยโหติ สัพเปเมตังวินัสติเมื่อใดบุญสิ้นไปเมื่อนั้นสิ่งทั้งปวงทรัพสมบัติทั้งปวงก็พินาศหมดสัพเปเมตังวินัสติทรัพย์สินสมบัติทั้งปวงก็พินาศหมดยะดาปุญยัคคโยโหติ <c oughs> เมื่อใดบุญหมดไปบุญสิ้นไป สัพระเมตังวินสัสติเมื่อ น, นั้นสิ่งทางหลายทางปวงทรัพยินสมบัติทางปวงก็พินาศหมดเพราะฉะนั้นคนฉลาดเขาจึงเพิ่มบุญเอาไว้เสมอเพิ่มบุญเอาไว้มันสั่งสมบุญเพิ่มบุญไม่อไม่ไม่ลืมว่าไม่ลืมบุญคุณของบุญ ถ้คนที่ได้ดีมีสุขเราอยู่สบายสบายแล้วก็มักจะลืมลืมสบายสบายแล้วก็มักจะลืมลืมทําบุญต่อเพราะอันนี้กว่าสบายแล้วไอ้คนที่ชอบเอาแหวงหาการทําบุญก็มักจะเป็นคนที่กําลังทุกข์กำลังลําบากอันนี้กว่าเราไม่มีบุญก็มันทําบุญสร้างบุญ ก็คนที่อยู่สบายสบายออคนเรียกว่ามีบุญพอแล้วก็ไม่อยากจะทํามันก็เกียดด้วยแหละกเกียดด้วยแล้วก็สุขสบายไม่มีอะไรมากระตุ้นเตือนให้ให้ต้องทำแล้วก็มันก็หมดไปเหมือนกับทรัพย์เรามีทรัพย์แล้วก็ไม่ได้หาเพิ่ม มีแต่จ่ายไปอย่างเดียวไม่ได้หาเพิ่มจ่ายไปอย่างเดียวมันก็หมดวันหนึ่งมันก็หมดชาวนาชาวนาที่มีข้าวมีข้าวในยุงจาง <c oughs> มีข้าวในยุงจาง แต่แล้วก็นึกว่า เ, ออเราเขามีข้าวเนี่ยยุงช่างเยอะเราไม่ได้ทำเพิ่มก็กินกินข้าวเก่ามันก็หมดไปหมดไปข้าวใหม่ไม่ได้ทำมันก็หมด <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกรู้สึกสรรสึิกระทับใจต่อพระพุทธภาสิตที่ว่าเมื่อใดบุญหมดไป สิ้นไปเมื่อนั้นทุกอย่างก็พินาศหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรประมาทเครื่องบุญอาประมาดังประสังสันติปุญญกิยาสุปันฑิตาบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญ ทีนี้ลองดูบุคคลสี่จำพวกครพวกหนึ่งเขาเรียกตามูตัมมะปรายนมมมามูมืดมาแล้วมืดไปนะมืดมาแล้วมืดไปชาติก่อนก็ไม่ได้ทําบุญไว้มืดมาแล้วพอมาถึงชาติใหม่นี้ก็ไม่ได้ทําบุญเอาไว้ก็มืดต่อไปมืดไปข้างหน้ามืดมาแล้วมืดไปข้างหน้า พระที่สองตโม โ, โชติปรายโนโมืดมาแล้วสว่างไปว่าไม่ไม่ได้ทำบุญไว้ไม่มีบุญไม่ได้ประพฤติสุดจริตเอาไว้มืดมาเกิดมาอยู่ในฐานะที่ลำบากไปหมดทุกอย่าง แต่ว่าเขาไม่ประมาทในบุญแล้วก็มันสะสมบุญมันทำความเพียรมันศึกษาเล่าเรียนมันตั้งตั้งเนื้อตั้งตัวก็โ ช, โโ <c oughs> 3, โชติปรายโนสว่างไปพวกที่สามโชติธรรมปารายโนสว่างมามืดไป แต่ว่ามีบุญมาดีมีบุญมาดีเกิดดีมีความสุขรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในัยต้นแต่ว่าประมาทไม่ทำความดีคิดว่าพอแล้วพอแล้วเราไม่ทำความดีเพิ่มเติ ม, มก็มืดไปเหล่นี้ของเก่าก็าหมดไปของใหม่ไม่ได้ทำเพิ่มขึ้น มืดไปสว่างมามืดไปพวกที่สี่โชติโชติปรายโนสว่างมาสว่างมาแล้วสว่างไปเรียกว่าดีดีทั้งทั้งตอนต้นและดีทั้งตอนปลายเพราะความไม่ประมาทอันนี้ เรามองดูบุคคลสี่จำพวกนี่แล้วก็จะเห็นประโยชน์และคุณค่าของบุญแต่ว่าเราต้องทำด้วยความฉลาดนะครับทำบุญทำความดีต้องทำด้วยความฉลาดถ้าทำด้วยความโง่มันก็มันก็ถูกหลอกถูกหลอกให้ทำ ก็ว่ามันไปเป็นประโยชน์กับคนที่เขาหลอกคนที่ทำไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมันไม่ใช่ปัญญาต้องใช้ปัญญาในการทำบุญในการทำความดีในการทำกุศลในการทาความดีทุกอย่างครับต้องใช้ปัญญาพิจารณาใจตรอง ใช้อยู่ในโสมนัสิกการใช้ปัญญากำกับดูเสมอมีศรัทธาอย่างยิ่งแต่ว่าปัญญาไม่มีหรือน้อยก็จะงมงายมีปัญญาอย่างยิ่งแต่ว่าขาดศรัทธาที่ถูกต้องบางทีมันก็แล่นเกินไปว่าแล่นเกินไปอ่ ไม่เชื่ออะไรซะเลยไม่เชื่ออะไรซะเลยมันก็เป็นความงมงายชนิดหนึ่งเชื่อหมดทุกอย่างเชื่อหมดทุกอย่างใครมาบอกอะไรก็เชื่อหมดทุกอย่างมันก็เป็นความงมงายชนิดหนึ่งไม่เชื่ออะไรซะเลยก็งมงายไปอีกชนิดหนึ่งอีกแบบหนึ่งมันต้องเชื่อสิ่งที่ควนเชื่อรู้สิ่งที่ควรรู้ แตถ้ารู้ไปหมดทุกอย่างะสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ไม่ต้องรู้สิ่งที่จําเป็นต้องรู้ก็รู้เนวเท้าที่จําเป็นอือย่างนี้อย่างนี้ก็จะสบายคืออยู่สบายไม่หนักไม่ร้อนไม่หนักไม่ร้อนอมีแต่ความเบาความเย็นมีความเบาความเย็น ไม่หนักไม่ร้อนมีแต่ความเบาความเย็นเพราะฉะนั้นก็ให้มีความกระตันยูกระตะเวทีต่อปุญนั่นถือว่าบุญนั่นเป็นภุปภการีของเรา Scott แล้วก็โยงไปถึงบุคคลอีกหลายจำพวกเช่นว่าอุทานภพลูปชีพีคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยความเพีย กัมมะพะรูปะชีวี <c oughs> บุคคลที่มีชีวิตอยู่ด้วยบุญนะแล้วก็นอุตถา น, ะนะธธานอุตถานาพะรูปะชีวีนากรรมมะพะรูปะชีวีวไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยความเพียรไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยบุญแต่มีชีวิตอยู่ด้วยบาป น, นี่ก็มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวว่าไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยปุนไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยความเพียรก็มีชีวิตอยู่ด้วยปาปม่าก็มีความทุกข์มีความทุกข์ล้วนๆขงพวกนรกทุกข์ล้วนตดูภาพยนต์ข่าวเรื่องเอธิโอเปีย เห็นแล้วมันก็เศร้าสลดใจเออมันไม่เคยเห็นนรกไม่เคยเห็นนรกตามที่กล่าวไว้ในคำพี่แต่ว่าเราเห็นเห็นความความทุกข์ยากลำบากในโอทีโอเปียของประชา ช, ชนเป็นจำนวนหลายสิบล้านคนรู้สึกโอทำไมมันกองทุกข์มือมาขนาดนี้ ก็อันนี้พูดถึงเรื่องความเอกระตันยูกระญญกเวทีรู้จักอุปการะคุณของท่านการทําอุปการะและการตอบแทนต้องให้เป็นไปพอเหมาะให้เป็นไปพอเหมาะพอควรกันให้เป็นไปพอเหมาะพอควรกันการทําอุปการะการตอบแทน ต้องให้เป็นไปพอเหมาะพอควรกัน <c oughs> คือว่าถ้ารู้สึกว่าท่านมิวปการะมากก็ต้องตอบแทนกันมากถ้าท่านมิวปการะพอสมควรก็ตอบแทนพอสมควรถ้าตอบแทนมากก็ได้ก็ได้แต่ว่าให้พอให้พอสมควร แก่อุปการะของท่านอย่าให้น้อยอย่าให้น้อยกว่าอุปการะของท่านแต่ว่าให้พอสมควรแก่อุปการะของท่านหรือเกินกว่าที่ท่านทำให้นั่นก็ไม่เป็นไรมันเป็นาการใช้นี่เป็นการใช้นี่ที่ ให้เกินให้เกินเหมือนกับว่าเป็นการให้ดอกเบี้ยด้วยช้นี่พร้อมด้วยดอกเบี้ยด้วยนั่นคือว่าเกินเกินเงินต้นทุนเกินเงินต้ น, น, น, ท, นทุนของท่านถ้าเรียบด้วยกันด้วยกันคูณดีเป็นเงินเป็นทองอะไรพวกนี้ก็ให้เกินกว่าที่ท่านทำให้ เราเป็นความสบายใจลูกบางคนก็ทำได้แต่ว่าทำเกินกว่าที่พ่อแม่ทำให้ก็มีเพราะว่าพ่อแม่ทำให้ได้ไม่เท่าไหร่ก็กำลังความสามารถของท่านมีเท่านั้นแต่ว่าลูกบางคนกำลังความสามารถมีมากก็ตอบแทนให้เกิดแต่ว่าส่วนมากส่วนมากไม่พอ คือว่าไม่เพียงพอส่วนมากนี่พูดส่วนมากไม่ใช่ทุกคนส่วนมากคต่ว่าน้อยน้อยเกินไปตอบแทนน้อยเกินไปแล้วในชุดอื่นๆก็เหมือนกันในชุดอื่นๆครูบาอาจารย์กับสิษธ์ครูบาอาจารย์กับสิทธ์าาาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์บางคนก็มีอุปการะมากต่อสิทิ์ สิทธิ์บางคนก็ตอบแทนให้ได้มากแต่บางคนก็ตอบแทนพอสมควรบางคนก็ตอบแทนน้อยเกินไปจะเป็นเพราะว่าไม่มีโอกาสหรือว่าไม่ได้สานึกหรือจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่ก็ก็มีอยู่อย่างนี้แต่น้อยเกินไปพวกหนึ่งพอสมควรพวกหึ่ง ตอบแทนให้มากพวกหนึ่งไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกคนไป อ, อ, อย่างไรก็ตามอุปการะคุณของท่านต้องรู้ต้องสำนึกรู้ตระหนักในอุปการะคุณของท่านไม่ไม่เป็นคนเนรคุณไม่เป็นคนอาคตันยูอาคาตะเวที มิฉนั้นแล้วจะไม่เจริญถ้าเป็นคนอากาศันยูอาาายังกตาเวทีแล้วจะเป็นคนไม่เจริญ<ม>ก็มาถึงประการที่เอ่อที่หกนะครับที่หกคือความกัตันยูหรือว่ารู้ประการะคุณของท่านก็ได้พูดมาครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ก็จะต่อจาก ข่าวที่แล้วเมื่อวันจำนะครับวันนี้จะพูดหนักไปในทางศาสนานิดหนึ่งในทางศาสนาจะที่เกี่ยวกับอุปชัยยะอาจารย์แล้วก็สัตธิวิหาริกอันเตวาสิกเอ อุปชายะอุปชายะคือท่านผู้ให้ปวดเป็นประธานในการให้ปวดนะความสําเร็จอยู่ที่สงผู้มาประชุมกันแต่ว่าอุปชายะนั้นเป็นผู้ให้ปวดแต่ว่าถ้าไม่มีอุปชายยนะก็บวดไม่ได้ ผู้ที่จะปวดถ้าไม่มีอุปชัยยะก็ปวดไม่ได้ผู้ปวดจะต้องมีอุปชัยยะที่เป็นประธานสงเวลาปวดจะต้องอ้างอุปชาว่าใครเป็นอุปชาชื่ออะไรที่นิยมกันจูเวลานี้ก็นิยม นาำฉายานาำฉายานั้นเป็นอ อ, อ้างชื่อฉายาของท่านผู้นั้นเช่นว่าอุปชายาัยยะนาำฉายาว่าอนุภาโสอนุภาโสก็อ้างชื่อท่านอนุภาโสว่าเป็นอุปชายาัยยะทีนี้ผู้ที่ปวดหัดลุกสิทธ ของอุปจายยะท่านเรียกว่าสัต ธ, ธิวิหาริกเรียกว่าสัต ธ, ธิวิหาริกท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินเวลาเขาพูดกันถึงว่าเป็นสัต ธ, ธิวิหาริกของใครท่านผู้นัน้น <c oughs> ท่านผู้นัน้นภูนี้เป็นสัต ธ, ธิวิหาริกของใคร <c oughs> แล้วก็บอกได้ว่าเป็นสัต ธ, ธิวิหาริกของท่านผู้นั้นภู้นี อั่นคือหมายถึงอุปจชาเป็นอุปจชาอุปชายะ <c oughs> นี่ตำตำตัวแปลว่าเข้าไปเพ่งตำตัวเข้าไปเพ่งคําว่าเพ่งนี่หมายความว่าเพ่งโทษคําว่าเพ่งโทษไม่ใช่ใส่หานโทษคือหมายความว่า ดูแลดูแล <c oughs> เห็นโทษน้อยใจแล้วก็ตักเตือนตักเตือนให้ะระลึกถึงความผิดมองเห็นโทษน้อยใจแล้วตักเตือนให้ะระลึกถึงความผิดอย่างนี้ก็เรียกว่า <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าอุปัชาอุปัชาตามตัวแปลว่าเพ่งเพ่งเพ่งโทษต่ไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวกับที่ชาวบ้านเข้าใจเพ่งโทษไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแต่ว่าดูแลเห็นโทษแล้วก็ตักเตือนแล้วก็ให้หะระลึกถึงโทษ เอ <c oughs> สําหรับ <c oughs> สําหรับอาจารย์อาจารย์นั้นก็แปลว่าผู้ที่ลูกติ์จะพึงประพฤติโดยเอื้อเฟือ้ออาจารย์อาจารยิยะผู้ที่ลูกติ์จะพึงประพฤติโดยเอื้อเฟือ้อด้วยความอาทร อ, าอย่างนี้คือความหมายของอาจารย์ นี่อาจารย์มีหลายประเภทมีหลายประเภทในศาสนานะครับอย่างตามตัวตามตัวก็ว่ า, าให้ํำรงอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาในในศาสนานี้ท่านเรียกว่าอาจารย์ ให้ดำรงอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาก็เรียกว่าอาจารย์ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> คำว่าอาจารยเ์เมื่อก่อนนี้ก็ใช้ได้ทั่วไปคนฝึกช่างฝึกมาก็เป็นอาจารย์เหมือนกันก็เรียกว่าหัดถาอ า, าจารย์หัดถอาจารย์คนฝึกคนฝึกช่างอัศจารย์คนฝึกมา อเวลานี้ก็ใช้กันทั่วไปสอนสอนดัดผมสอนดัดผมก็เป็นอาจารย์หรื ว, ว่าสอนอะไรก็เป็นอาจารย์ได้หมด อ, อแล้วก็คําอาจารย์ก็เป็นคําสามัญทั่วไปเ <c oughs> เมื่อก่อนนี้คําว่าครูนั่นสูงกว่าอาจารย์ อย่างพระพุทธเจ้านั่นเป็นครูอของเทวดาและมนุษย์ เ, เป็นบรมาครูในอย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์พระอะไรต่ออะไรนั้นไม่มีสักเป็นครูแต่ว่าเป็นเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์าารยไม่ไม่เป็นครูผู้ที่เป็นครูมีอยู่ผู้เดียวคือพระพุทธเจ้า แล้วก็เป็นบรมครูและต่อมาในเมืองไทยนี่มันความหมายก็สลับกันคื อ, อผู้ที่สอนสอนในชั้นประถมก็เรียกกันว่าครูอพอเลื่อนขึ้นเป็นมัธยมในมหาวิทยาลัยสอนมัธยมสอนมหาวิทยาลัยเขาเรียกอาจารย์ แล้วต่อไปก็ไปต่อเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ก็ต่อด้วยอาจารย์นั่นแหละก็คืออาจารย์นั่นแนหะแล้วก็ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์ก็มีคนเป็นจํานวนมากที่ออกเสียงผิดหรอออกเสียงเป็นศาสดาจารย์อืศาสดาจารย์ อ <c oughs> อกเสียงเป็นศัสดาจารเ์เมื่อได้ยินได้ยินที่ไรก็มักจะก็มักจะพูดออขอขอให้พูดใหม่ถ้าคนที่พอจะตักเตือนได้ถ้าคนที่ตักเตือนเขาไม่ได้ก็แล้วไปถ้าคนที่พอตักเตือนได้ก็อบอกว่าไม่ใช่สัสดาจาร์ศัสดาจารย์นั่นคือพระพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าพระบรมศัสดาบางทีก็ต่อด้วยคําว่าศัสดาจาร <c oughs> หรือว่าอาจารย์ที่เป็นศัสดาเป็นเจ้าลัทธิเป็นเจ้าของศาสนาศัสดาพระศัสดาที่นี่อ <c oughs> ตําแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัยนี่เขาเรียกศัตตราจารย์ศัตตราเน้นแปลว่าคำภีร แปล ว, ว่าคำภีทีนี้ถ้าเป็นสัตสัตราเนี่ยสัตรามแปลว่าอาวุธนยถ้าเป็นไม้ฮันากาศอคอสอคอไมฮันนกกาศเสือแล้วก็สอรอสละอาสัตรานั่นคือคืออาวุธแต่ว่าถ้าเป็นสละอาเป็นสัตสัตรานั่นคือคำภีคำภีหรือคำระ คำพีหรือตำราเพราะฉะนั้นจึงเอาชื่อนี้มามาใช้กับผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเขียนตำราเขียนตำราได้เล่มหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียนตำราสองเล่มเป็นรองศาสตราจารย์แล้วแต่เขาจะกําหนดว่าจะให้เขียนกี่เล่มสองเล็มส่วนมากก็สองเล่มหรือว่าอย่างมากก็ไม่เกินสามเล่มก็เป็นศาสตราจารย์ <c oughs> บางทีก็เล่มเดียวแต่ว่าเป็นเล่มที่ค่อนข้างจะตลักสำคัญหรืออะไรทำนองนั้นก็แล้วแต่ผู้ตรวจใครเป็นผู้พิจารณา อ, าอันนี้ก็ขอพูดเป็นเก็ดเก็ดความรู้เอาไว้บางทีก็พูดผิดกันบ่อยเป็นศาสดาจารย์ไปเรื่อยอาจารย์ในศาสนา ในศาสนานี้ก็ได้แบ่งอาจารย์เอาไว้เป็นสี่จำพวกที่สิทธิ์จะต้องมีความกตัญญูอันนี้พูดกันกําลังพูดถึงเรื่อง ก, กตัญญูกต่าวเวทีนะครับหรือว่าคนเรานี่มีบุญคุณต่อกันสิทธิ์มีบุญคุณต่ออาจารย์อาจารย์มีบุญคุณต่อสิทธิ์อุปชัยยะมีบุญคุณต่อสัตว์ที่วิหาริก พระสัตทีวิหาริกนั่นเองถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่ออุปชายยะก็ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะ <c oughs> เป็นผู้มีอุปการะต่ออุปชายยะเหมือนกันเพื่อกูลซึ่งกันและกันจังเคยมีเรื่องพระอานนท์พระอานนท์มีลูกศิษย์มากทีนี้ก็วันหนึ่งท่านก็ได้จีวรมา ทราบว่าห้าร้อยผืนได้จีวรมาห้าร้อยผืนแล้วท่านก็มอบให้ลูกศิษย์ของท่านคนเดียวห้าร้อยืนทั้งหมดเลยพระก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า <c oughs> ทูลถามว่าอาคติยังมีแก่พระโสดาบันอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านตรัสถามมาเรื่องอะไรภิกษุมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น พระภิกษุก็กลับทูลให้สรงทราบว่าพระอนุลได้จีวรมาห้าร้อยผืนแล้วก็ให้กับลูกศิษย์คนเดียวพระพระอนุ์นั้นเป็นพระโสดาบันอาคติยังมีแก่พระโสดาบันอยู่ซื่งพระพุทธเจ้าท่านก็จัดบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกลูกศิษย์คนนั้นมีอุปการะมากต่อพระอนุ์